นิธิกันในกุทธกะปาธะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนครหกพดีอุบาสกปรัสพระคถาว่าบุรุษย่อมฝังขุมทรัพย์ไว้ในน้ำลึกด้วยคิดว่าเมื่อกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เราเพื่อเปลืองตนจากราชภัยบ้างเพื่อช่วยตนให้พ้นจากโจรภัยบ้างเพื่อเปลืองนีบ้าง ในคราวทุกพิกกับภัยบ้างในคราวคับคันบ้างขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้ในโลกก็เพื่อประโยชน์นี้และขุมทรัพย์นั้นย่อมหาสำเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดในการทุกเมื่อทีเดียวไม่เพราะขุมทรัพย์เคลื่อนจากที่ไปเสบ้างความจำของเขาคลาดเคลื่อนเสบ้างน่าทั้งหลายลักไปเสบ้างอยักทั้งหลายลักไปเสบ้าง ผู้รับมรดกที่ไม่เป็นที่รักขุดเอาไปเมื่อเขาไม่เห็นบ้างในเวลาที่เขาสิ้นบุญคุมทรัพย์ทั้งหมดนั้นย่อมศูญไปคุมรัพย์คือบุญของผู้ใดเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามฟังไว้ดีแล้วด้วยทานศีล ส, สัญญะความสำรวมธรรมะความฝึกตนในเจดีก็ดีในสงฆ์ก็ดี ในบุคคลก็ดีในแขกก็ดีในมารดาบิดาพี่ชายก็ดีคุมทรับนั้นชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วใครๆไม่อาจผจญได้เป็นของติดตามตนไปได้บรรดาโภคะทั้งหลายที่เขาจำต้องละไปเขาก็พาคุมทรับคือบุญนั้นไปคุมทรับคือบุญไม่สาธารณแต่ชนเหล่าอื่น โจนก็ลักไปไม่ได้บุญนิธิอันใดติดตามตนไปได้ปราดพึงทำบุญนิธิอันนั้นบุญนิธินั้นอนันวยผลที่น่าปรารถนาทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ปรารถนานักซึ่งอิทธิผลใดๆอิทธิผลทั้งหมดนั้นนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้ความมีวั น, นะงาม ความมีเสียงเพราะความมีสุดทรงดีความมีรูปงามความเป็นใหญ่ยิ่งความมีบริวารอิทธิพลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้ความเป็นพระราชาเฉพาะประเทศความเป็นใหญ่คือจกักรพรรดิราชสุขของพระเจ้าจากักรพรรดิที่น่ารักความเป็นพระราชาแห่งเทวดาในทิพย์ายทั้งหลาย อิทธิพลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้สมบัติของมนุษย์ความยินดีในเทวโลกและสมบัติคือพระนิพพานอันใดอิทธิพลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้ความที่บุคคลอาศัยสัมปทาคุณเครื่องถึงพร้อมคือมิตรแล้วถ้าประกอบโดยอุบายที่ชอบ เป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุตติอิทธิพลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้ปฏิสัมพิธาวิโมคสาวกบา ร, รมีปัจเจกโพธิและพุทธภูมิอันใดอิทธิพลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้บุญยศสัมปทาคุณเครื่องถึงพร้อมคือบุญนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาจึงสันเสริญความเป็นผู้ทำบุญไว้แลจบนิธิกันในกุท ธ, ธ, ธ, ธกาบปาฐะอัทธกถานิธิกันทะสูตรเหตุตั้งพระสูตรนิธิกันสูตรนี้ข้าพเจ้ายกขึ้นตั้งโดยนยะว่านิทิงนิเทติปุโรสิเป็นต้น ต่อลำดับจากติโรกุทสูตรบัดนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวเหตุตั้งและจักแสดงเหตุเกิดเรื่องแห่งนิธิการทสูตรไว้ในที่นี้แล้วจึงจะทำการพันนาความแห่งนิธิกันทสูตรนั้นบรรดาเหตุทั้งสองนั้นในที่นี้พึงทราบเหตุตั้งนิธิกันทสูตรนั้นก่อนแท้จริงนิธิกันทสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้มีได้ตรัสไว้ตามลำดับนี้ เพราะเหตุที่เป็นสูตรคู่ของติโรขุตสูตรโดยเป็นเรื่องอนุโมทนาฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยกขึ้นตั้งไว้ในที่นี้หรือว่าพึงทราบว่าข้าพเจ้าครั้นแสดงวิบัติของหมู่ชนที่ปราศจากบุญด้วยติโรขุตสูตรแล้วจึงยกนิธิกันทสูตรนี้ตั้งไว้ในที่นี้ก็เพื่อแสดงสมบัติของหมู่ชนที่ทำบุญไว้ด้วยสูตรนี้ เหตุดังนี้การทสูตนั้นไว้ในที่นี้มีเท่านี้เหตุเกิดพระสูตรนีธที่การทสูตนั้นมีเหตุเกิดดังนี้ได้ยินว่าในกรุงสาวัตถีกระดุมพีคนหนึ่งมัง่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคามากแต่เขาเป็นคนมีศรัทธาภาษาทา มีใจปราศจากมนทินคือความตรณีอยู่ครองเรือนวันหนึ่งเขาถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสมัยนั้นพระราชามีพระราชประสงค์ซับจึงทรงส่รงราชบุรุษคนหนึ่งไปที่สำนักเขาด้วยพระราชดำรัสสั่งว่าพนายเจ้าจงไปนำกระดุมพีชื่อนี้มา ราชบุรุษผู้นั้นไปพูดกับกระดุมพีนั้นว่าท่านข้ารษฮะพดีพระราชาขอเชิญท่านกระดุมพีมีใจประกอบด้วยคุณมีศรัทธาเป็นต้นกําลังอังคาเลี้ยงดูพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขจึงกล่าวว่าไปก่อนแต่ท่านราชบุรุษข้าพเจ้าจะตามไปทีหลังข้าพเจ้าจะฟังขุมทรัพย์ในขณะนี้ซะก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าสวยเสร็จ ทรงชักพระหัตออกจากบาทแล้วเพื่อทรงแสดงบุญยะสัมปทาว่านิธิโดยปารมัตได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่านิถึงนิเทติปุริโสเป็นตน้นเพื่ออนุโมทนาแก่กระดุมพีนั้นนิธิกันทสูตรนั้นมีเหตุเกิดดังกล่าวมานี้ข้าพเจ้ากล่าวเหตุตั้งและเหตุเกิดของนิธิการทสูศไว้ในที่นี้แล้ว จะทำการพน า, นาความของนิธิการทรนั้นดังต่อไปนี้พน า, นาคาถาที่หนึ่งบรรดาบทเหล่านั้นบทว่านิถึงนิเทติปุริโสความว่าชื่อว่านิธิเพราะฝังไว้อธิบายว่าตั้งไว้รักษาไว้นิธินั้นมีสี่ คือทาวรานิธิชงคมานิธิอังคสมาณิธิอนุคามิกานิธิบรรดานิธิสี่นั้นทรัพย์ที่ติดพื้นดินก็ดีทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในอากาศก็ดีเงินก็ดีทองก็ดีนาก็ดีที่ดินปลูกบ้านก็ดีก็หรือทรัพย์เห็นป่า น, นั้นแม้อื่นใดที่เว้นจากเคลื่อนที่ด้วยตัวเอง ชื่อว่าถาวรมั่นคงคุมทรัพย์นี้ชื่อว่าถาวรานิธิหรือถาวรนิธิทาดิงทาดชายช้างโคมา้าลาแพะแกะไก่สุกรหรือเรียกว่าทรัพย์เห็นปานนั้นแม้อื่นใดที่ประกอบด้วยเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองชื่อว่าชังคมะเคลื่อนที่ได้ขุมทรัพย์นี้ ชื่อว่าชังคมานิธิผ้าหูสัจจะความเป็นพาหูสูตรอันเป็นบ่อกเกิดการงานบ่อกเกิดศิลปะที่ตั้งแห่งวิทยาการก็รู้ว่าพาหูสัจจะเห็นป่านนั้นแม้อื่นใดที่ศึกษาแล้วศึกษาอีกชำนาญติดตัวประหนึ่งอวัยวะใหญ่น้อยชื่อว่าอังคสมะเสมอโดยอวัยวะ ขุมทรัพย์นี้ชื่อว่าอังคาสมานิธิบุญที่สำเร็จด้วยทานที่สำเร็จด้วยศีลที่สำเร็จด้วยภาวนาที่สำเร็จด้วยการฟังธรรมที่สำเร็จด้วยการแสดงธรรมก็หรือว่าบุญเห็นปานนั้นแม้อื่นใดตามด้วยผลที่น่าปรารถนาประดุดติดตามไปในที่นั้นๆชื่อว่าอนุคามิกะแปลว่าติดตามไปได้ ขมทรัพย์นี้ชื่อว่าอนุคามิกะนิธิส่วนในที่นี้ทรงประสงค์เอาถาวระหรือถาวนิธิบทว่านิเทติได้แก่ตั้งไว้เก็บไว้รักษาไว้บทว่าปุริโสได้แก่มนุษย์บุรุษก็ดี สตรีก็ดีบันเดอ ก, ก็ดีย่อมฝังคุ้มทรัพย์ได้ก็จริงถึงกระนั้นในที่นี้ก็ทรงทมเทศนาด้วยบุรุษเป็นสาคัญแต่ว่าโดยอัฏฐพึงเห็นว่าทรงประมวลคนแม้เหล่านั้นไว้ในที่นี้บทว่าคำพีเรโอทกันติเเกความว่าที่ชื่อว่าคำพีระ เพราะอัฏฐาว่าอย่างถึงได้ชื่อว่าโอทกกันติกะเพราะเป็นที่มีน้ําเป็นที่สุดที่ลึกแต่ไม่มีน้ําเป็นที่สุดก็มีเช่นบ่อลึกชั่วหนึ่งร้อยบุรุษณะพื้นที่ดอนที่มีน้ําเป็นที่สุดแต่ไม่ลึกก็มีเช่นบ่อลึกศอกสองสอกณที่ลุ่มเป็นโคลนตมทั้งที่ลึกทั้งมีน้ําเป็นที่สุดก็มี เช่นบ่อที่เขาขุดนาพื้นที่ดอนจนกว่าน้ำจะไหลามาณบัดนี้คำว่าคัมพีเรโอทกันติเกนี้ตรัสหมายถึงที่ลึกและมีน้ำเป็นที่สุดนั้นบทว่าอัตเถกิจเจสมุปนเนความว่าชื่อว่าอัถะเพราะไม่ปราศจากประโยชน์ท่านอธิบายว่า นำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลชื่อว่ากิจเพราะควรทมท่านอธิบายว่ากรณียะบางอย่างอันเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละชื่อว่าสมุปป น, นะท่านอธิบายว่าอันตั้งขึ้นแล้วโดยความเป็นกิจควรทมคำนี้เป็นการแสดงถึงประโยชน์ของการฝังขุมทรัพย์ว่าเมื่อกิจที่เป็นประโยชน์นั้นเกิดขึ้นแล้ว คุมทรัพย์จะเป็นประโยชน์แก่เราความจริงบุรุษนั้นฟังคุมทรัพย์ไว้ก็เพื่อประโยชน์อย่างนี้ว่าเมื่อกรณียะบางอย่างที่นำมาซึ่งประโยชน์เกิดขึ้นคุมทรัพย์จะเป็นประโยชน์แก่เราจะมีเพื่อความสำเร็จแห่งกิจของเรานั้นเป็นความจริงความสำเร็จแห่งกิจนั่นแหลพึงทราบว่าเป็นประโยชน์ของคุมทรัพย์นั้นเมื่อกิจเกิดขึ้น อัานนาคาถาที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงประโยชน์แห่งการฝังขุมทรัพย์อย่างนี้ครั้นทรงแสดงความประสงค์แห่งการประสบประโยชน์บัดนี้เพื่อทรงแสดงความประสงค์แห่งการหลีกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์จึงตรัสว่าขุมทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เราเพื่อเปืืองตนจากราชภัยบ้าง เพื่อช่วยตนให้พ้นจากโจรภัยบ้างเลื่องนี้บ้างในคราวทุกพิกะภัยบ้างในคราวขับขันบ้างคาถานั้นพึงประกอบขอ้อความตามกำเนิดศัพท์กับบทว่าสวิตสติปโมขายะที่ตรัสในคำนี้ว่าอัธายะเมภวิสติแล้วว่าอันัสเวปโมขายะจึงจะทราบความได้ ในข้อนั้นประกอบความอย่างนี้ว่าบุรุษฟังขุมทรัพย์มิใช่ด้วยประสงค์ว่าจะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างเดียวเท่านั้นหรอกก็คืออะไรเล่าก็คือบุรุษฟังขุมทรัพย์ก็ด้วยประสงค์ว่าจะช่วยเปลืองเราให้พ้นจากราชภัยที่ต้องถูกพวกศัตรูหมู่ปัญจามตรกล่าวร้ายโดยในยะอย่างนี้ว่าผู้ที่เป็นโจรบ้างเป็นชายชู้บ้างหลบหนีภาษีบ้าง ดังนี้เป็นต้นบ้างจะช่วยปล่อยเราพ้นจากโจรภัยที่ถูกพวกโจรเบียดเบียนด้วยการลักทรัพย์โดยวิธีตัดช่องเป็นต้นบ้างโดยการจับไปเรียกค่าถายว่าเจ้าจงให้เงินทองเท่านี้เท่านี้บ้างเจ้าหนี้จากทวงให้เราชาระหนี้ก็จะช่วยปลดเราพ้นจากหนี้ที่เจ้าหนี้เหล่านั้นทวงอยู่บ้างสมัยที่เกิดทุกภัย ข้าวกลาเสียอาหารหายากในสมัยนั้นจะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยซัย์เล็กน้อยที่ไม่ได้ง่ายๆคุ้มรับนั้นก็จกช่วยได้ในคราวทุกภิกขะัยเช่นนั้นมาถึงเข้าดังนี้บ้างจะช่วยได้ในคราวขับขันที่เกิดจากอักขีภยัยอุทกภยัยทายาที่ไม่เป็นที่รักดังนี้บ้าง พระผู้มีพระภาคเจ้ารันทรงแสดงประโยชน์แห่งการเก็บทรัพย์สองอย่างด้วยสองคาถาคือความประสงค์ที่จะพบประโยชน์และความประสงค์ที่จะหลีกจากสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์อย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะตรัสย้ำประโยชน์แม้ทั้งสองนั้นนั่นแลแกกระดุมพีนั้นจึงตรัสว่าเอตทัทธายะโลกาสมิงนิธินามะนิธิยายติ คุมทรัพย์เข้าฝั่งไว้ในโลกก็เพื่อประโยชน์อย่างนี้คถานั้นมีความว่าประโยชน์นี้ใดคือการพบประโยชน์และการหลีกจากสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ทรงแสดงไว้โดยในยะเป็นต้นอย่างนี้ว่าจากเป็นประโยชน์แก่เราและว่าจากเปลืองเราซึ่งถูกกล่าวร้ายให้พ้นจากราชภัย ธรรมดาขุมทรัพย์ต่างโดยเงินทองเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเขาฝังไว้ตั้งไว้เก็บงําไว้ในโอกาสโลกนี้ก็เพื่อประโยชน์นั้นคือเพื่อทํากิจเหล่านั้นให้สําเร็จไปพันนาคถาที่สามบัดนี้เพราะเหตุที่ขุมทรัพย์นั้นแม้ก็าฝังไว้ดีแล้วอย่างนี้ ย่อมให้สําเร็จประโยชน์ที่ประสงค์แก่ผู้มีบุญเท่านั้นไม่สําเร็จประโยชน์แก่คนเหล่าอื่นฉะนั้นเมื่อทรงแสดงประโยชน์จึงตรัสว่าขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้เป็นอันดีในที่ลึกปีน้ําเป็นที่สุดเพียงนั้นขุมทรัพย์นั้นหาสําเร็จประโยชน์แก่เขาได้ทั้งหมดในการทุกเมื่อทีเดียวไม่คาถานั้นมีความว่า แม้ขุมทรัพย์นั้นเขาฟังไว้ดีถึงเพียงนั้นท่านอธิบายว่าแม้เขาขุดหลุมเก็บไว้อย่างดีเพียงนั้นเขาฟังไว้ดีอย่างไรเขาฟังไว้ในที่ลึกมีน้ำเป็นที่สุดท่านอธิบายว่าดีราบเท่าที่นับได้ว่าฟังไว้ในที่ลึกมีน้ำเป็นที่สุดบทว่านะสัพโพสัพพทาเยวะตัสสะตังอุปกรปติ ความว่าขุมทรัพย์ยังไม่สำเร็จประโยชน์ไม่สำเร็จผลแม้ทั้งหมดท่านอธิบายว่าไม่สามารถทากิจตามที่กล่าวมาแล้วแก่บุรุษที่ฝังไว้ได้ทุกเวลาคืออะไรเล่าคือว่าบางครั้งก็สำเร็จประโยชน์บางครั้งก็ไม่สำเร็จประโยชน์เลยศัพท์ว่าต่างในคาถานั้นพึ่งเห็นว่าเป็นนิบาศลงในอัฏฐว่า ปทะปุรณะทำบทให้เต็มเช่นในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่ายะถาตังอปมัตตะอาตาปิโนหรือว่าท่านทำลิงคือเพศสัพ์ให้ต่างกันเมื่อควรจะกล่าวว่าโสก็กล่าวเสียว่าตังจริงอยู่เมื่อกล่าวอย่างนั้นความนั้นก็รู้ได้สะดวก พันนาคาถาที่สี่และที่ห้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสว่านา ส, สัพโธสัพทาเยวะตัสะตังอุปการปติเมื่อตรัสอย่างนี้บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงเหตุที่ไม่สําเร็จประโยชน์จึงตรัสว่าเพราะขุมทรัพย์เคลื่อนย้ายจากที่ไปเสียบ้างความจําของเขาคลาดเคลื่อนไปเสียบ้างพวกนาคลักไปเสียบ้าง พวกยักษ์ลักไปเสียบ้างทายาทผู้รับมรดกที่ไม่เป็นที่รักขุดเอาไปเมื่อเขาไม่เห็นบ้างคาถานั้นมีความว่าขุมทรัพย์นั้นเคลื่อนย้ายออกไปจากที่ที่เขาฟังไว้ดีแล้วคือแม้ไม่มีเจตนาก็ไปที่อื่นได้โดยเจ้าของสิ้นบุญบ้างความจำของเขาคลาดเคลื่อน คือเขาจำไม่ได้ถึงที่ที่ฝังขุมทรัพย์ไว้บ้างพวกนาคที่ความสิ้นบุญของเขาเตือนแล้วอยากย้ายขุมทรัพย์นั้นเอาไปที่อื่นเสียบ้างพวกยักษ์ลักพาเอาไปตามชอบใจเสียบ้างพวกทายาทผู้รับมรดกที่ไม่ชอบกันขุดพื้นดินยกเอาขุมทรัพย์นั้นไปเมื่อเขาไม่เห็นบ้างขุมทรัพย์นั้นไม่สมเร็จประโยชน์แก่เขา เพราะเหตุมีการเคลื่อนที่เป็นต้นเหล่านั้นด้วยประการชนนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าครันตรัดเหตุที่ไม่สำเร็จประโยชน์ซึ่งโลกสมมุติมีการทำให้เคลื่อนที่เป็นต้นอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อทรงแสดงเหตุที่เข้าใจกันว่าความสิ้นบุญอย่างหนึ่งอย่างเดียวที่เป็นมูลแห่งเหตุแม้เหล่านั้นจึงตรัสว่ายะา ปัญญกะโขโหติสั พ, พเมตังวินสติคาถานั้นมีความว่าสมัยใดบุญที่ทำโภกทรัพให้สำเร็จซึ่งไปก็จะทำสิ่งที่ไม่ใช่บุญที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งโภกทรัพมีโอกาสตั้งอยู่สมัยนั้นธนชาติใดมีเงินและทองเป็นต้นซึ่งผู้ฝังขุมทรัพย์ฝังไว้แล้วธนชาตินั้นทั้งหมด ก็พินาศหมดสิ้นไปพันานาคาถาที่หกพระผู้มีพระภาคเจ้าครันตรัสถึงขุมทรัพย์ที่แม้บุคคลฝังไว้แล้วด้วยความประสงค์นั้นๆแต่ก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่ประสงค์ถึงโลกสมมุติก็ต้องมีอันพินาศไปเป็นธรรมดาบัดนี้เพื่อทรงแสดงบุญยสัมปทาเหล่านั้นว่า เป็นขุมทรัพย์โดยปารมัตเมื่อทรงแสดงนิธิการทสูตรนี้ที่ทรงเริ่มเพื่ออนุโมทนาแก่กระดุมผีนั้นจึงตรัสว่าขุมทรัพย์ของใดจะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วก็ด้วยทานศีล ส, สัญญาและธรรมะบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าทานัง พึงถือเอาตามในยะที่กล่าวไว้แล้วในมงคลข้อที่ว่าถานันจะท ร, รมาจริยานั้นบทว่าสีหลังได้แก่การไม่ล่วงละเมิดทางกายและวาจาคือสีห้าสีแปดสีสิบและปาติโมกสังวรศีนเป็นตน้นสีทุกอย่างท่านประสงค์ว่าสีนในที่นี้ บทว่าสัญญาโมได้แก่ความสำรวมท่านอธิบายว่าการห้ามใจไปในอารมณ์ต่างๆคำนี้เป็นชื่อของสมาธิที่บุคคลประกอบแล้วท่านเรียกว่าผู้สำรวมสูงสุดในบาลีนี้ว่าหัตถสัญญโตปาทาสัญญโตวาจาสัญญโตสัญญตุตมโมผู้สำรวมมือสำรวมเท้าสำรวมวาจา ชื่อว่าผู้สำรวมสูงสุดอาจารย์อีกพวกกล่าวว่าความสำรวมท่านอธิบายว่าความระวังความสังวรคานี้เป็นชื่อของอินทรียสังวรความฝึกฝนชื่อว่าธรรมะท่านอธิบายว่าการระงับกิเลสคำนี้เป็นชื่อของปัญญาจริงอยู่ ปัญญาในภาษาบาลีบางแห่งเรียกว่าปัญญาในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าสุดสูสังละพะเตปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาบางแห่งท่านเรียกว่าธรรมะในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าสัจจังธรรมทิติจาโคสัจจะธรรมะทิติจาคะบางแห่งท่านเรียกว่าธรรมะ ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าญาิสัจจาธมาจาคาขันตยาพิญโยนาวิชติผิว่าธรรมะยิ่งกว่าสัจจธรรมะจาคะขันติไม่มีไซบัณฑิตรู้จักทานเป็นต้นอย่างนี้แล้วพึงประมวลมาทราบความแห่งคาถานี้อย่างนี้ว่าคุ้มทราบที่สําเร็จด้วยบุญของผู้ใดเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตาม เขาจะเอาธรรมะสี่เหล่านี้คือทานศีล ส, สัญญมะธรรมะที่ฝังไว้ดีแล้วด้วยการทําธรรมะทั้งสี่มีทานเป็นต้นเหล่านั้นไว้ด้วยดีในจิตสันดานเดียวหรือในวัตถุมีเจดีย์เป็นต้นเหมือนขุมทรัพย์ที่สําเร็จด้วยธนชาติเขาก็เอาเงินทองมุกดามณีฝังไว้ด้วยการใส่เงินทองเป็นต้นเหล่านั้น ลงในที่เดียวกันฉะนั้นพันานาคถาที่เจ็ดพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงความที่บุญยสัมปทาเป็นขุมทรัพย์โดยปรเมิด้วยคถานี้ว่ายัสสะทาเนนะเป็นต้นอย่างนี้แล้วเมื่อทรงแสดงวัตถุที่คุมทรัพย์อันบุคคลฟังไว้ชื่อว่าฟังไว้อย่างดีจึงตรัสว่า ในเจดีก็ดีในสงฆ์ก็ดีในบุคคลก็ดีในแขกก็ดีในมารดาก็ดีในบิดาก็ดีในพี่ชายก็ดีในคถานั้นชื่อว่าเจติยะเพราะควรก่อท่านอธิบายว่าควรบูชาชื่อว่าเจติยะเพราะวิจิตแล้วเจดีนั้น มีสามอย่างคือบริโภคเจดีย์อุทิศกะเจดีย์ธาตุกะเจดีย์บรรดาเจดีย์ทั้งสามนั้นโพธิพฤกชื่อว่าบริโภคเจดีย์พระพุทธปฏิมาชื่อว่าอุทิศกะเจดีย์พระสถูปที่มีห้องบรรจุพระาธาตุชื่อว่าธาตุกะเจดีย์ บทว่าสังโคได้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งในหมู่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบทว่าปุขคโลได้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งในหมู่เข้ารหัดและบันผชิตเป็นตน้นชื่อว่าอติธิแปลว่าแขกเพราะเขาไม่มีดีถีคือมาในวันไหนก็ได้คำนี้เป็นชื่อของแขกผู้มาในขณะนั้น คำที่เหลือมีในยะที่กล่าวไว้แล้วทั้งนั้นบัณฑิตรู้จักเจดีย์เป็นต้นอย่างนี้แล้วบันนี้พึงทราบความแห่งคาถานี้อย่างนี้ขุมทรัพย์นั้นใดตรัสว่าเป็นอันฝังดีแล้วขุมทรัพย์นั้นที่เขาฝังไว้ในวัตถุเหล่านั้นย่อมชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วเพราะเหตุไรเพราะสามารถอำนวยผล ที่น่าปรารถนาได้ตลอดกาลนานจริงอย่างนั้นชนทั้งหลายถวายในพระเจดีแม้เล็กน้อยย่อมเป็นผู้ได้ผลที่ปรารถนาตลอดกาลนานเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าเอกกักปุพหังวะทัตตวานะอิสิติกับปโกติโยทุกขติงนาพิชานามิปุปทานาสิทังพลังเราถวายดอกไม้ดอกเดียว ก็ไม่รู้จักทุกขติถึงแปดสิบโกรธกับนี้ผลของการถวายดอกไม้และว่ามัตตาสุ ข, ขะบริจาคะปะเสเจวิปุลังสุ ข, ขังถ้าบุคคลพึงเห็นสุขอันภัยบูรเพราะสละสุขพอประมาณไซพึงทราบการจำแนกผลทานแม้ในวัตถุมีพระทรงเป็นต้นตามในยะที่กล่าวไว้แล้ว ในทักินาวิสุตที่สูตรและเวลามาสูตรเป็นต้นด้วยประการชนนี้อันหนึ่งทรงแสดงความเป็นไปและความเจริญผลแห่งทานในวัตถุมีเจดีเป็นต้นโดยประการใดก็พึงปรารพคุณนั้นๆในที่ทั้งปวงตามความประกอบแล้วจึงทราบความเป็นไปและความเจริญผลแห่งศีลส่วนที่เป็นจารีศีลวาฤตศีลสัญญามะ ส่วนที่เป็นพุท ธ, ธานุสติเป็นต้นและธรรมะส่วนที่เป็นวิปัสนาบนญิการและการพิจารณาวัตถุนั้นโดยประการนั้นพันนาคถาที่8ดพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงวัตถุต่างโดยเจดีย์เป็นต้นของขุมทรัพย์ที่สำเร็จด้วยบุญ ซึ่งเขาฝังไว้ด้วยทานเป็นต้นอย่างนี้แล้วบัด น, นี้เมื่อทรงแสดงความต่างของขุมทรัพย์นั้นที่เขาฝังลงในวัตถุเหล่านั้นจากขุมทรัพย์ที่ฝังลงในที่ลึกนั้นเป็นที่สุดซึ่งตรัสว่าขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้ดีแล้วนั้นใครๆก็ผจนไม่ได้ติดตามไปได้ในเมื่อบรรดาลโภคะที่จำต้องละไปเขาก็พาขุมทรัพย์คือบุญไปด้วยได้ ในคาถานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงคุ้มรั์ที่ฟังไว้ดีแล้วด้วยทานเป็นต้นนั้นด้วยบทนี้ว่าคุ้มรั์ที่เขาฟังไว้แล้วนั้นบทว่าอัชเชยโยได้แก่คนอื่นๆไม่อาจผจนแล้วเอาไปได้ป้าถาว่าอัชชโยก็มีอธิบายว่าอันใครๆไม่พึงชนะไม่ควรชนะ คือผู้ต้องการประโยชน์สุขควรก่อสร้างเองก็ในปาฐานี้ประกอบความว่าขุมทรัพย์นี้ใครๆผจญไม่ได้แล้วแสดงคาถามอีกว่าเพราะเหตุไรจึงสัมพันธ์ความว่าเพราะเหตุที่ขุมทรัพย์ที่ฟังไว้แล้วติดตามไปได้แต่ความที่ขุมทรัพย์ที่ฟังไว้ดีแล้วโดยประการนอกนี้ เป็นของที่ใครๆชนะได้ก็พึงเป็นอันท่านกล่าวไว้ว่าแต่ก็หาได้กล่าวไว้ไม่แท้จริงขุมทรัพย์นั้นที่ฟังไว้ดีแล้วอันใครๆเอาชนะไม่ได้คือไม่มีใครเอาชนะได้เลยขุมทรัพย์ชื่อว่าอนุคามิกะรอติดตามไปได้อธิบายว่าไม่ละบุคคลแม้กำลังไปปรโลก ด้วยการอำนวยผลให้ในภพนั้นนั้นได้ยินว่าบทว่าปหายะคมณีเยสุเอตังอธายะคัจฉตินี้มีความอย่างนี้ว่าเมื่อมรณาการปรากฏขึ้นบรรดาโพคาทั้งหลายที่จำต้องละไปเขาก็พาไปได้แต่คุมทรัพย์คือบุญนี้ความนี้ไม่ถูกเพราะเหตุไร เพราะโภขะทั้งหลายไปไม่ได้ความจริงโภขะนั้นๆอันมัตจะผู้ต้องตายพึงละไปเท่านั้นไปไม่ได้เลยแต่คติวิเศษนั้ น, น, นๆต่างหากจำต้องไปเพราะเหตุที่ถ้าความพึงมีอย่างนี้ไซก็พึงกล่าวได้ว่าบรรดากติวิเศษทั้งหลายที่จำต้องละโภกะทั้งหลายไปฉะนั้น จึงควรทราบความในข้อนี้อย่างนี้ว่าเมื่อโภคะทั้งหลายจำละมัดจะผู้ต้องตายไปโดยประการเป็นต้นอย่างนี้ว่านิธิวาฐานาจจวติขุมทรัพย์เคลื่อนไปจากที่บ้างมัดจะผู้ต้องตายก็พาไปได้แต่ขุมทรัพย์คือบุญด้วยว่าขุมทรัพย์คือบุญนั้นไม่ละมัดจะนั้นเพราะเป็นทรัพย์ติดตามไปได ในคาถานั้นผู้ทักท้วงกล่าวว่าในบทว่าคมณนิเยสุนี้จะพึงมีความว่าคันตเปสุก็ไม่ใช่ความว่าคัจฉันเตสุคำนั้นไม่พึงถือเอาแต่แง่เดียวเหมือนอย่างว่าในคำว่าอริยานายานิกานี้มีความว่านิ ย, ายันตาไม่ใช่มีความว่านิยายาตภา ฉันใดแม้ในที่นี้ก็มีความว่าคัจฉันเตสุไม่ใช่มีความว่าคันตเปสุฉันนั้นอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุที่ผู้นี้ประสงค์จะให้แก่ใครในเวลาตายก็จับต้องผภคาให้ไม่ได้ฉ น, นั้นผภคาเหล่านั้นอันเขาจำต้องละไปทางกายก่อนภายหลังจึงจำต้องจากไปทางใจที่หมดหวัง ท่านอธิบายว่าพึงล่วงเลยไปเพราะฉะนั้นจึงควรเห็นความในข้อนี้อย่างนี้ว่าบรรดาโภค้าทั้งหลายที่จำต้องละไปทางกายก่อนภายหลังจึงต้องละไปทางใจในความข้อต้นสัตตะมีวิพัตติลงในนิทาณะว่าบรรดาโภคะทั้งหลายที่จำต้องละไปเขาก็นำโภคา้าคือบุญนิธินั้นอย่างเดียวเท่านั้น ออกจากโควคาทั้งหลายพาไปในความข้อหลังสัตตะมีวิพัตติลงในภาวะลักษณะโดยภาวะวา่าก็โดยภาวะที่โคขาทั้งหลายติดตามไปก็ย่อมกำหนดภาวะคือขุมทรัพย์นั้นพาไปด้วยได้พันนาคถาที่เก้า พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงความต่างของบุญนิทินี้จากคุมทรัพย์ที่เข้าฝังไว้ในที่ลึกมีน้ำเป็นที่สุดเมื่อทรงอย่างอุตสาหะให้เกิดแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในบุญนิทินั้นด้วยการพัฒ น, นาคุณบุญนิทิที่ทรงแสดงด้วยพระองค์อีกเหมือนพ่อค้าผู้ค้าสินค้าอันโอฬานอย่างอุตสาห์ให้เกิดแก่คนซื้อด้วยการพัฒ น, นาคุณสินค้าของตนฉะนั้นจึงตรัสว่า บุญนิธิคือขุมทรัพย์ไม่สาธารณะแก่ชนเหล่าอื่นโจรก็ลักไปไม่ได้บุญนิธิอันใดติดตามตนไปได้ปราดพึงทำบุญนิธิอันนั้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอาสาธารณะมัเยสังแปล ว, ว่าไม่ทั่วไปแก่ชนเหล่าอื่นมออักษรทำบทสนที นในประโยคเป็นต้นว่าอทุกขมสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาประกอบด้วยเวทนาที่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขนิธิอันโจรทั้งหลายลักไปไม่ได้ชื่อว่าอจโจร า, หารหะโหนอธิบายว่าย่อมเป็นนิธิที่โจรทั้งหลายลักพาไปไม่ได้ชื่อว่านิธิเพราะเขาฝังไว้ พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงพันานาคุณของบุญนิธิด้วยสองบทต้นอย่างนี้แล้วจากนั้นก็ท่งอย่างอุตสาหะให้เกิดในบุญนิธินั้นด้วยสองบทหลังจึงตรัสว่าบุญนิธิอันใดติดตามตนไปได้ประชารุ่งทําบุญนิธิอันนั้นคถานั้นมีความว่าเพราะเหตุที่ธรรมดาบุญนิธิไม่สาธารณะแก่ชนเหล่าอื่น และเป็นนิธิที่โจรลักไปไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่นิธิที่ไม่สาธารณะและโจรลักไปไม่ได้อย่างเดียวหรอกแท้จริงยังเป็นนิธิที่ตรัสไว้อย่างนี้ว่านิธินั้นฝังไว้ดีแล้วอันใครๆผจญไ ม, ไมไไ่ได้ติดตามตนไปได้นิธิได้ติดตามตนไปได้เพราะเหตุที่นิธินั้นเป็นบุญนิธิอย่างเดียว ฉะนั้นปราดคือบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยพุท ธ, ธิความรู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือปัญญาพึงทำบาเพ็ญบุญทั้งหลายพันน า, นาคาถาที่สิบพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงอย่างอุตสาหะให้เกิดแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ในบุญนิธิด้วยการพนานาคุณอย่างนี้แล้วบัดนี้ชนเหล่าใดอุตสาหะแล้วทำอุตสาหะนั้นให้สำเร็จผลด้วยการทำบุญนิธิบุญนิธิของชนเหล่านั้นย่อมให้ผลอันใดเมื่อทรงแสดงผลอันนั้นโดยสังเขปจึงตรัสว่านิธินั้นให้ผลที่น่าใคร่ทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบัดนี้เพราะเหตุที่บุญนิธิ เนื่องอยู่ด้วยความปรารถนาเป็นเครื่องให้สิ่งตามปรารถนาจึงจะเว้นความปรารถนาเสียไม่ได้เหมือนที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนเข้ารือหบดีทั้งหลายผู้ประกอบธรรมประพฤติสม่ำเสมอพึงหวังว่าโอ๋นอเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่ากษัตริย์มหาศาลไซข้อที่เขาหวังว่า เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่ากษัตริย์มหาศาลก็เป็นฐานะเป็นไปได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะผู้นั้นเป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติสม่ำเสมออย่างนั้นและโดยในยะเดียวกันเขากระทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ ข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะเขาเป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลสุตตะจาระปัญญาภิกษุนั้นปรารถนายอย่างนี้ว่าโอหนอ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่ากษัตริย์มหาศาลภิกษุนั้นตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารปัจจัยเครื่องปรุงแต่งและวิหารธรรมเครื่องอยู่เหล่านั้นอันภิกษุนั้นเจริญให้มากอย่างนี้ทำให้มากอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นเมื่อส่งแสดงปริยายแห่งความหวังอย่างนั้นอย่างนั้นความปรารถนาที่มีอธิฐานภาวนาด้วยการตั้งจิตเป็นบริขารเหตุในความที่บุญนิธินั้นให้ผลที่น่าใครทุกอย่างนั้นจึงกร่าวว่าเทวดาและมนุษย์ปรารถนานักซึ่งอิทธิพลใดอิทธิพลทุกอย่างนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้ พันนาคาถาที่สิบเอ็ดบัดนี้ผล น, นั้นใดทุกอย่างอันเทวดาและมนุษย์ยอมด้ด้วยบุญนิธินั้นเมื่อทรงแสดงผล น, นั้นเป็นอย่างยางจึงตรัสคาถาอย่างนี้ว่าความมีวั น, นงามความมีเสียงเพราะเป็นต้นบรรดาคาถาเหล่านั้นจะวินิจฉัย ใ, ในคถ า, าที่หนึ่งก่อนความมีฉวีวันงาม ความมีผิวหนังคล้ายทองชื่อว่าความมีวันณงามนั้นบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิทินั้นเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์แต่ก่อนเป็นคนไม่โกรธไม่มากด้วยความขับแค้นใจถึงถูกเขาว่ากล่าวมากๆก็ไม่ขัดใจไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ใช้กาลัง ไม่ทำความกำเริบโทสะและความไม่มีเหตุปัจจัยให้ปรากฏทั้งเป็นผู้ให้ผ้าปูลาดผ้านุ่งห่มเนื้อละเอียดอ่อนภาพเหลือกไม้เนื้อละเอียดผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดผ้ากำพลเนื้อละเอียดแม้อันใดตถาคตนั้นเพราะทำสร้างสมกรรมนั้นจติจักพบนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปุริสาลักษณะนี้ คือเป็นผู้มีวั น, นะดังทองมีผิวคล้ายทองความเป็นผู้มีเสียงดังพรมความเป็นผู้พูดเสียงดังนกอารเวกชื่อว่าความเป็นผู้มีเสียงเพราะความเป็นผู้มีเสียงเพราะแม้นั้นอันบุคคลย่อมได้ก็ด้วยบุญนิทีนี้เหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อน ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์แต่ก่อนละวาจาหยาบเว้นขาดจากวาจาหยาบกล่าวแต่วาจาไม่มีโทษเป็นสุขหูน่ารักจับใจวาจาชาวเมืองชนเป็นอันมากรักใคร่พอใจแม้อันใดเพราะทาสร้างสมกรรมนั้นตถาคตนั้นจติดจากภพนั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปุริสนนักษณะนีคือเป็นผู้มีชิวหาใหญ่ มีเสียงดังพรมพูดเสียงดังนกกาโะเวกบทว่าสุสัสนทานาได้แก่ความมีสวดทรงดีท่านอธิบายว่าความตั้งอยู่แห่งอวัยวะใหญ่น้อยในอันที่ควรอิ่มเต็มและกลมโดยความเป็นอวัยวะอันอิ่มเต็มและกลมเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์แต่ก่อนหวังประโยชน์เกื้อกูลหวังความผาสุกหวังความเกษมปลอดจากโยคะแก่ชนเป็นอันมากพึงยังชนเหล่านี้ให้เจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาพึงให้เจริญด้วยไรนาที่ดินด้วยสั์สองเท้าสี่เท้าด้วยบุตรปัญญา ด้วยทาตกรรมกรโดยญาติมิตรพวกพ้องแม้อันใดเพราะธรรมสร้างสมกรรมนั้นตถาคนนั้นจุติจะพบนั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาภุริ ส, ะะสารณะสามเหล่านี้คือมีพระกายครึ่งบนดังสีหะมีระหว่างพระอังสะคือพระอุระงามและมีพระองค์กลมเสมออย่างนี้เป็นตน้น บทแห่งพระสูตรทั้งหลายที่ทำให้การได้สำเร็จด้วยบุญนิธินี้แม้ในที่อื่นจากนี้ก็พึงนำมาจากที่นั้นๆกล่าวโดยในยะนี้แต่เพราะกลัวพิสดารเกินไปจึงได้แต่สังเขตไว้บัรนี้ข้าพเจ้าจะทำการพรณนาบทที่เหลือทั่วทั้งเรือนร่างพึงทราบว่ารูในคำว่าสุรูปตานี้เหมือนในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่า สภาพอันอากาศห้อมล้อมย่อมนับว่ารูปทั้งนั้นความที่รูปนั้นดีชื่อว่าความมีรูปสวยท่านอธิบายว่าไม่ยาวนักไม่สั้นนักไม่ผอมนักไม่อ้วนนักไม่ดำนักไม่ขาวนักบทว่าอธิปั จ, จังได้แก่ความเป็นใหญ่อธิบายว่า ความเป็นนายโดยเป็นกษัตริย์มหาศาลเป็นต้นบทว่าปริวาโรสำหรับขรหัด ส, สมบัติคือชนของตนและชนโดยรอบสำหรับบรรพชิตสมบัติคือบริษัทความเป็นใหญ่และความมีบริวารชื่อว่าความเป็นใหญ่และมีบริวารก็บรรดาอิทธิพลเหล่านั้น พึงทราบว่าสมบัติคือโภคะตรัส ด, ด้วยความเป็นใหญ่สมบัติคือชนของตนและชนโดยรอบตรัส ด, ด้วยความมีบริวารด้วยคำว่าสัพเพเมเตนะลพติพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงแสดงว่าคำนั้นได้ตรัสว่าเทวนาและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาผลใด ผล น, นั้นๆทั้งหมดอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้ในคำนั้นอิทธิผลมีความมีวันน้างามเป็นต้นที่ตรัสไว้ส่วนแรกก่อนแม้นี้พึงทราบว่าผลทั้งหมดนั้นบุคคลได้ด้วยบุญนิธินี้พันนาคถาที่สิบสอง พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงสมบัติของเทวดาและมนุษย์ที่ต่ำกว่าสมบัติคือความเป็นพระราชาที่บุคคลพึงได้ด้วยบุญญาณุภาพด้วยคาถานี้อย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อทรงแสดงสมบัติคือความเป็นพระราชาทั้งสองนั้นจึงตรัสคถานี้ว่าความเป็นพระราชาเฉพาะประเทศความเป็นพระราชาผู้ใหญ่สุขในความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอันน่ารัก แม้ความเป็นพระราชาแห่งเทวดาในหมู่ทิพย์อิทธิผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าประเทสัะชังได้แก่ความเป็นพระราชาแห่งประเทศในประเทศหนึ่งหนึ่งแม้แต่ทวีปเดียวไม่ถึงทั้งหมดความเป็นพระราชาผู้เป็นใหญ่ชื่อว่าอิสริยะ ทรงแสดงความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิด้วยบทนี้สุขของจักรพรรดิชื่อว่าจักรวติสุขบทว่าปียังได้แก่หน้าปรารถนาน่าใคร่หน้าพอใจทรงแสดงความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีมหาสมุรทั้งสี่เป็นขอบเขตด้วยบทนี้ความเป็นพระราชาในหมู่เทวดาชื่อว่าความเป็นพระราชาในหมู่เทพ เป็นอันทรงแสดงความเป็นพระราชาของเทวดาแห่งมนุษย์ทั้งหลายมีพระเจ้ามันทาตุราชาเป็นต้นด้วยบทนี้ด้วยบทว่าอิติทิพเพสุนี้ทรงแสดงความเป็นพระราชาของเทวดาแห่งมนุษย์ทั้งหลายแม้ที่เกิดในหมู่ทิพทั้งหลายที่เรียกกันว่าทิพเพราะมีในภพทิพด้วยบทว่าสัพพเมเ ต, เตนะละพติ ทรงแสดงว่าในคำที่ตรัสไว้ว่ายังยังเทวาพิปัตเทนติสัพเมเตนะลพติอิทธิผลมีความเป็นพระราชาเฉพาะประเทศที่ตรัสเป็นส่วนที่สองแม้นี้พึงทราบว่าอิทธิผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้ อนนาคถาที่สิสาพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงสมบัติคือความเป็นพระราชาของเทวดาและมนุษย์ที่บุคคลพึงได้ด้วยบุญญาณุภาพด้วยคถานี้อย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อทรงทําสมบัติที่ตรัส ด, ด้วยสองคถาไว้ข้างหน้าโดยย่อจะทรงแสดงสมบัติคือพระนิพพานจึงตรัสคถานี้ว่าสมบัติของมนุษย์ ความยินดีอันใดในเทวโลกและสมบัติคือพระนิพพานใดอิทธิผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้พันานาบทของคาถานั้นมีดังนี้ชื่อว่ามานุสสีเพราะเป็นของมนุษย์ทั้งหลายมานุสสีนั่นแหลชื่อว่ามานุสิกาความถึงพร้อมชื่อว่าสมบัติ โลกของเทวดาทั้งหลายชื่อว่าเทวโลกในเทวโลกนั้นบทว่ายาเป็นการถือเอาไม่มีเหลือเลยชื่อว่ารติเพราะยินดีด้วยสมบัติที่เกิดภายในหรือเป็นเครื่องอุปกรณ์ภายนอกคํานี้เป็นชื่อของสุขและวัตถุเครื่องให้มีสุขคาว่ายาเป็นคาแสดงความที่ไม่แน่นอน สับว่าจะมีความว่ารวมกับสมบัติทั้งปวงพระนิพพานนั่นแหละชื่อว่าสมบัติคือพระนิพพานก็การพันานาความมีดังนี้โดยบทว่าสุวัตณาตาเป็นต้นสมบัติและความยินดีนั้นใดตรัสไว้ว่ามนุสิกาจะสัมปติเทวโลเกจะยาระติ สมบัติของมนุษย์และความยินดีใดในเทวโลกสมบัติและความยินดีนั้นทั้งหมดละสมบัติคือพระนิพพานที่บุคคลพึงบรรลุโดยเป็นพระอริยบุคคลที่เป็นสัทธานุสาวรีเป็นต้นอื่นๆอิทธิพลดังกล่าวมานี้ที่ตรัสเป็นที่สามพึงทราบว่าอิทธิพลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้ อีกในย่าหนึ่งสมบัติของมนุษย์อันใดที่ไม่ได้ตรัสไว้ก่อนด้วยอิทธิผลมีความมีวั น, นะงามเป็นต้นและต่างด้วยความรู้ความฉลาดเป็นต้นซึ่งท่านแสดงไว้โดยในยะอย่างนี้ว่าผู้กล้ามีสติการอยู่ประพฤติปรมอาจา ร, รในพระธรรมวิเนยนี้เป็นต้นความยินดีในฌานเป็นต้นในเทวโลกอย่างอื่นใดอีและนิพพานสมบัติตามที่กล่าวแล้วอันใด อิทธิผลดังว่ามาแม้นี้ตรัสไว้เป็นส่วนที่สามพึงทราบว่าอิทธิผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้พึงทราบการพันณ า, นาความในข้อนี้ด้วยประการชนนี้พันณาคนถาที่สิบสี่ พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงนิพพานสมบัติที่พึงได้ด้วยปัญญานุภาพและที่พึงบรรลุโดยความเป็นพระอริยบุคคลมีเป็นศรัตนุสารีเป็นต้นด้วยคถานี้อย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อทรงแสดงนิพพานนั้นและอุบายแห่งนิพพานนั้นโดยความเป็นผู้ชํานาญในวิชาสามและอุปโตภาควีมุตจึงตรัสคถานี้ว่าความที่บุคคล ถ้าอาศัยมิตรสัมปทาประกอบความเพียรโดยอุบายแยบคายเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุตติทิทย์ผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้พรรณนาบทของคาถานั้นมีดังนี้ว่าชื่อว่าสัมปทาเพราะเป็นเครื่องสำเร็จผลคือถึงความเจริญแห่งคุณสัมปทาคือมิตรชื่อว่ามิตรสัมปทาซึ่งมิตรสัมปทานั้น บทว่าอะคัมมะแปลว่าอาศัยบทว่าโยนิโสได้แก่โดยอุบายบทว่าประยุติชโตได้แก่ทำความขยันประกอบชื่อว่าวิชาเพราะเป็นเครื่องรู้แจ้งชื่อว่าวีมุตเพราะเป็นเครื่องหลุดพ้นหรือหลุดพ้นเองทั้งวิชาทั้งวีมุต ชื่อว่าวิชาละวิมุตติความเป็นผู้ชำนาญในวิชาละวิมุตติชื่อว่าวิชาวิมุตติวสีภาวะส่วนการพนานาความมีดังต่อไปนี้ความที่บุคคลอาศัยมิตรสัมปทาคืออาศัยพระสาสดาหรือสัรรมจรีผู้เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพท่านใดท่านหนึ่งรับโอวาทและอนุสาสนีจากท่านแล้ว ประกอบโดยอุบายแยบคายด้วยการปฏิบัติตามที่ท่านสอนเป็นผู้ชำนาญในวิชาสามมีปุเพนิวาสยานเป็นต้นและในวิมุตที่ต่างโดยสมาบัตแปดและพระนิพพานหนึ่งที่มาอย่างนี้ว่าในธรรมะเหล่านั้นวิมุตคืออะไรคือความหลุดพ้นอันยิ่งแห่งจิตและนิพพานโดยอัตถาว่า ไม่ชักช้าโดยประการนั้นๆ น, น, นี้ใดผลที่ตรัสเป็นส่วนที่สี่แม้นี้พึงทราบว่าอิทธิผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้พันนาค า, าถาที่สิบห้าพระผู้มีพระภาคเจ้ารันทรงแสดงนิพพานสมบัติที่พึงได้ด้วยอนุภาพแห่งบุญ ท่นเป็นส่วนแห่งความเป็นผู้ชํานาญในวิชาละวิมุตที่กล่าวมาก่อนแล้วที่พึงบรรลุแม้โดยอํานาจแห่งไตรวิชาและอุพัโตภาคาวิมุตด้วยคาถานี้อย่างนี้แล้วบัดนี้เพราะเหตุที่ท่านถึงความเป็นผู้บรรลุความเป็นผู้ชํานาญในวิชาละวิมุตแม้เป็นผู้มีวิชาสามและหลุดพ้นแล้วโดยส่วนสองคือเจโตวิมุตและปัญญาวิมุตท่านเหล่านั้น มีใช้ได้ความเจริญแห่งคุณมีปฏิสัมพิธาเป็นต้นไปทั้งหมดแต่ความจริงแห่งคุณอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญยสัมปทานี้แม้ที่ทำแล้วโดยประการนั้นๆโดยเป็นประทัดฐานแห่งวิมุตินั้นฉะนั้นเมื่อทรงแสดงความเจริญแห่งคุณแม้นั้นจึงตรัสคาถานี้ว่าปฏิสัมพิธาวิโมกสาวกบรารมี ปัจเจกภพธิและพุทธภูมิอันใดอิทธิพลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้เพราะเหตุว่าปัญญานิได้ที่ถึงความแตกฉานในธรรมอัตถะนิรุติและปฏิพานท่านเรียกว่าปฏิสัมพิธาวิโมก์แปดเหล่านีา้ใดโดยในยะว่าผู้มีรูป ย่อมเห็นรูปเป็นตนสาวกบารมีนิใดที่ให้สำเร็จสาวกสมบัติอันพระสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงบรรลุปัจเจกพุทธโพธิไดที่ให้ความสำเร็จความเป็นพระสยามภูและพุทธภูมไดที่ให้สำเร็จความเป็นผู้สูงสุดแห่งสรรพสัพพตว์อิทธิพลที่ตรัสเป็นส่วนที่ห้าแม้นี้ พึงทราบว่าอิทธิผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลยอมได้ด้วยบุญนิธินี้ซึ่งเขาทำแล้วโดยชอบพันน า, นาคาถาที่สิบหกพระผู้มีพระภาคเจ้ารันทรงแสดงผลที่ตรัสไว้ว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปรัถนาอิทธิผลดใดๆอิทธิผลทั้งหมดนั้นอันบุคคล ยอมได้ด้วยบุญนิทีนี้เป็นอย่างอย่างไปด้วยคาถาห้าคาถาเหล่านั้นอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อทรงสรรเสริญบุญยสัมปทาที่เข้าใจกันว่าเป็นนิทีที่อำนวยผลที่น่าปรารถนาทุกอย่างนี้ทั้งหมดจึงทรงจบเทศนาด้วยคาทาน้ว่าบุญยสัมปทานี้มีประโยชน์มากอย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญา จึงสันเสริญความเป็นผู้ทำบุญไว้แล้วพันนาบทแห่งคาถานั้นดังนี้บทว่าเอวังเป็นคำแสดงความที่ล่วงแล้วชื่อว่ามหธิกาเพราะมีประโยชน์มากท่านอธิบายว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่ปาฐาว่ามหิติกาดังนี้ก็มี บทว่าเอสาเป็นคำอุเทศคือกระทูยกบุญญาสัมปทาที่ตรัสตั้งแต่ต้นแต่บทนี้ว่ายัศสะทาเนนะสีเลนะจนถึงบทว่ากะยิร า, าทีโรคุญญานิด้วยคำอุเทศนั้นสั์ว่ายธิทางเป็นนิบาตลงในอัฏฐะทาให้พร้อมหน้ากันเพื่อทรงอธิบาย บทอุเทศที่ทรงยกขึ้นว่าเอสาจึงทรงทำให้พร้อมหน้ากันว่ายาเอสาด้วยศัพนิบาตว่ายาทิทางนั้นความถึงพร้อมแห่งบุญทั้งหลายชื่อว่าบุญยสัมปทาบทว่าตัดสมาเป็นคำแสดงเหตุบทว่าทีราได้แก่ผู้มีปัญญาบทว่าประสังสันติ แปลว่าสันเสริญบทว่าปันธิตาได้แก่พูดถึงพร้อมด้วยปัญญาบทว่ากะตะปุญญตังแปลว่าความเป็นผู้ทำบุญไว้แล้วส่วนการพนานาความมีดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าครันทรงสันเสริญบุญนิธิมีความเป็นผู้มีวั น, นะงามเป็นต้นมีพุทธภูมิเป็นที่สุด ซึ่งพอที่บุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยอนุภาพแห่งบุญยสัมปทาดังนี้แล้วบัดนี้เมื่อทรงประมวลแสดงตามข้อนั้นนั่นแหละเมื่อทรงยกความที่บุญยสัมปทาตามที่กล่าวแล้วมีประโยชน์มากด้วยความนั้นนั่นแหละจึงตรัสว่าข้อที่บุญยสัมปทาซึ่งเราแสดงโดยไยะว่ายัตสะทานเนศีเลนะอย่างนี้เพราะฉะนั้น บัณฑิตผู้มีปัญญาเช่นเราจึงสันเสริญความเป็นผู้ทำบุญไว้แล้วซึ่งมีอาการและโวการคือขันมากด้วยคำที่กล่าวในที่นี้มีว่านิธิไม่สาธารณะแก่คนอื่นๆอันโจรลักไปไม่ได้เป็นต้นและที่ไม่ได้กล่าวไว้ในที่นี้มีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธออยากลัวบุญเลยคำว่าบุญ เป็นชื่อของความสุขดังนี้เป็นต้นด้วยคุณตามที่เป็นจริงเพราะไม่คร้านในการแสดงธรรมอันนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่สัตว์ทั้งหลายมิใช่สรรเสริญด้วยเข้าข้างพักพวกตนจบเทศนาอุบาสกนั้นก็ตั้งอยู่ในโซดาปฏิผลพร้อมด้วยชนเป็นอันมาก และเขาก็เข้าเฝ้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลกราบทูลความข้อนั้นพระราชาทรงยินดีอย่างเหลือเกินทรงชมว่าดีจริงกขระหบดีท่านฟังคุ้มรัพย์ที่แม้เราก็นำไปไม่ได้ได้ทรงทำการบูชาเป็นอย่างมากแกอุบาศกผู้นั้นแหลจบอัตถกถานีที่กันทะสูตรแห่งอัตถกถาคุตกะปาถะ ชื่อปารมาทโชติกา